จะนำเอาทําที่เราศึกษาไปใช้ร่วมกันเพราะว่าการที่เราเข้าใจปฏิบัติเนี่ยจะทำให้เรามีความสงบความระ ง, งับได้เร็วหรือจะเรียวความก้าวหน้าก็ได้โดยเฉพาะเราก็หนดว่าจะเป็นการอัดเปลี่ยนการเก็บอารมณ์ <c oughs> ในช่วง แต่ละวันพระทั้งนี้เพื่อให้ได้ศึกษาทั้งในส่วนตัวและส่วนรวมในส่วนรวมเราก็มาปฏิบัติร่วมกันในส่วนตัวก็คือไปปฏิบัติแบบคนเดียวนะปฏิบัติแบบต่อเนื่องคนเดียวทั้งนี้เพื่อให้มันได้สอ ง, ส อ, งอย่างนะปฏิบัติคนเดียวในชีวิตจริงของเรามันก็มีสองอย่างบางครั้งเราก็อยู่คนเดียว บางครั้งก็อยู่กับเพื่อนนะในชีวิตปฏิบัติก็ให้มันเป็นอย่างนั้นเราก็ต้องฝึกอยู่คนเดียวบ้างอยู่กับเพื่อนบ้างจะอยู่กับเพื่อนตลอดก็ไม่ไม่สมบูรณ์จะอยู่คนเดียวโดวยตลอดก็ไม่สมบูรณ์นะสลับกันทั้งนี้เพื่อให้เข้าใจว่าการอยู่คนเดียวอยู่อย่างไรถึงจะมีความสุขความสงบการอยู่ กับเพื่อนจะอยู่อย่างไรถึงจะมีความสุขความสงบก็ฝึกจากการปฏิบัติธรรมแต่ที่สุดแล้วนว่าเราเข้าใจใจของเราถึงที่สุดแล้วนี่ชีวิตของเราอยู่คนเดียวหรืออยู่กับเพื่อนมีค่าเท่ากันแต่ถ้าหากเรายังไม่เข้าใจของเราใจเข้าใจใจเราถึงที่สุดอยู่กับเพื่อนก็อจะมีความหมายอีกแบบหนึ่งอยู่ตัวคนเดียวก็มีความหมายอีกแบบหนึ่งนะ เพราะฉะั้การเก็บอารมณ์ก็คือก า, การฝึกการอยู่คนเดียวเนี่ยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วที่พวกเราไปที่อีสานเนี่ยยังมีพระที่ท่านเก็บอารมณ์ออกมารูปหนึ่งท่านก็มาถามเรื่องอารมณ์นะก็คุยกันเรื่องอารมณ์อาจารมาก็ถามย้อนอยู่คำหนึ่งว่าในช่วงที่เก็บอารมณ์อยู่คนเดียวสิบห้าวันเนี่ยอารมณ์ไหนที่ต่อชู้หนักที่สุด ท่าบอกาอารมณ์ลาคะลาคะมาบ่อยที่สุดเพราะอะไรเพราะว่าเรามันเป็นกำลังของชีวิตนะโลกทั้งโลกเนี่ยต้องตกเป็นทาสของมันเพราะเราไม่เข้าใจมันนะถ้าไม่เข้าใจมันเราก็จะตกเป็นทาสของมันอพอดีว่าท่านเคยศึกษาเคยอ่านเคยฟัง ที่อาตมาได้กระเอาไว้ว่ากายก็คือกายใจก็คือใจสิ่งไหนที่มันเกิดขึ้นกับกายต้องดูให้ชัดดูให้ถนัดอย่าให้มันล่วงล้ำถึงจิตสิ่งไหนที่มันเกิดขึ้นกับจิตก็ต้องดูให้ชัดดูถนัดอย่าให้ล่วงล้ำถึงกายแต่ถ้าเมื่อใดสองอันเนี่ยมันมันล่วงทะลุหากันแล้วมีปัญหาละเนี่ยเหมือนน้ากับน้มั น, น น้ำก็ไว้พอน้ำน้ำมันก็ไว้พอน้ำมันถ้าน้ำกับน้ำมันมาปนกันแล้วน้ำก็ใช้ไม่ได้จะใช้น้ำมันก็ไม่ได้ถึงมันจะเป็นคนละส่วนก็จริงนะดังนั้นการที่อารมณ์ราคะโทสะโมหะเนี่ยเรามาเรียกว่านิวรนในการอยู่คนเดียวเนี่ยนิวรนจะมาบ่อยน่ะนิวรนที่เป็นราคะเรียกว่ากามฉันทะนิวรนที่เป็น โทษะเรียกว่าพยาปาทะหรือพยาบาทความหงุดหงิดโมโหความผูกความแค้นความคิดไม่ไม่พอใจพวกนี้เรียกพยาปาทะส่วนโมหะนี่รวบสามตัวเลยนะถีนมิทะอุทจจะวิจิกิชาสามตัวที่เป็นโมหะทั้งหมดเลยนะในนิวรณห้าตัวเนี่ยกรรมวัชะทะคือราคะ พยาบาธาคือโทสะอทีนมิทะอุทะจะและวิจิชาเป็นโมห ะ, ะเพราะฉะนั้นทั้งสามตัวเนี่ยเราจะเห็นว่ากามาฉันทะนี่มาก่อนเวลาเราไปปฏิบัติอยู่คนเดียวเนี่ยกามฉันทะเนี่ยมาในรูปแบบต่างๆบางครั้งมันก็มาโดยตรงบางครั้งก็มาโดยอ้อมเราถ้าเราไม่รู้จักมันโดยละเอียดเนี่ยเราก็จับจับไม่ได้ไล่ไม่ทัน ตัวราคะเช่นตัวขี้เกียจอยากนอนก็เป็นรูปแบบหนึ่งของราคาตัวอยากสบายก็เป็นอุกรบอีกรูปแบบหนึ่งของราคาตัวอยากรู้อยากเห็นก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของราคาตัวอยากไปโน่นไปนี่ก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งมันมีหลายมันลายละเอียดมันละเอียดมันมันมีหลายหน้าในตัวราคาเนี่ยแต่ถ้าเป็นราคาเป็นความกำนัดตรงๆเนี่ยมันยาก มันจะเห็นได้ง่ายแต่ถ้ามันละเอียดแล้วมันจะเห็นได้ยากเราจะตามมันไม่ทันดังนั้นเองถ้ามันเกิดขึ้นกับกายก็ให้ดูดูง่ายแก้ง่ายแต่สำหรับคนที่ยังไม่เข้าใจยังไม่ศึกษาเรื่องนี้พอเกิดขึ้นกับกายก็จริงแต่ทะลุถึงจิตเกิดขึ้นกับจิตก็ทะลุถึงกายเช่นความอยากนอนอย่างเงี้ยมันเกิดขึ้นกับใจ แต่ว่าจะนอนจริงๆมันก็ต้องพากายนอนเห็นไหมเกิดขึ้นกับใจแต่ทะลรูถึงกายความ อ, าอยากจะไปนู่นไปนี่เนี่ยความอยากจะไปเนี่ยมันเป็นรูปของราคารูปแบบหนึ่งแต่ถ้าเราไปกับมันมันก็เอากายนี่แหละไปเนี่ยเกิดขึ้นกับใจทะลรู้ถึงกายดังนั้นเราจะต้องเข้าใจในอารมณ์แจและตัวที่มาเนี่ยว่ามันมันเป็นเป็นรูปของอะไร เป็นรูปแบบของกามาฉันทะมันจะออกมาในรูปของความอยากความลักสนกุความลักสบายความอยากรู้นู้นอยากไปนี่อยากทํานั่นเป็นความอยากในรูปของราคะแต่ในรูปของโทสะอยากอยากก็คือความหงุดหงิดความไม่พอใจความโมโหฉุนเฉียวตัวเองแต่ในในา <c oughs> รายละเอียดหรือ ในความ <c oughs> อารมณ์ร่วมของพยาบาทะคือความโกรธคือความรู้สึกไม่ไม่สนุกความรู้สึกไม่พอใจความรู้สึกห ง, งุดหงิดความรู้สึกขุ่นโม่ความรู้สึกเศร้าหมองความรู้สึกอ ท, ท้อท้หอห่อเหิวหงุดหงิดลำคานใจพวกนี้มันในตระกูลของโทสะทั้งหมดเราก็ต้องปฏิบัติต่อมันอย่างถูกต้องนะโดยการ เฝดูด้วยการศึกษาด้วยการเข้าใจไม่กลบเกลื่อนไม่หลบหลีกไม่ <c oughs> เก็บกดไม่บังคับเพราะว่าราคะอมาถามพระที่ท่านมาถามว่ารู้ว่าราคะโทสะเนี่ยเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เขาเป็นทุกข์รู้ว่ามันทุกข์แล้วจะเอามันไว้ทําไมทําไมไม่สลัดออกไปเนี่ยสลัดได้ยากนั่นแหละ เมื่อฉลาดได้ยากแล้วเราก็ต้องทุกต้องทํำยังไงทุกต้องกําหนดรู้ทุกต้องเข้าใจทุกต้องศึกษาอ่าในนั้นเราก็มีจุดที่ต้องเข้าใจแล้วเวลาราคาเกิดขึ้นเราต้องทําความเข้าใจเราต้องศึกษามันเราต้องอทําความเข้าใจในรายละเอียดของมันเพราะฉะนั้นคําว่าราคาโทสะจึงมีหลายรูปแบบทั้งละเอียดทั้งประณีต และทั้งหยาบนะทั้งสามระดั บ, บ ช, ช, นะชั้นหยาบชั้นกลางชั้นประนีตราคาโทสะชั้นหยาบก็คือโดยตรงนะชัดเจนจะแกง่ายในส่วนกลางก็โดยอ้อมแก่ยากในส่วนละเอียดโดยอ้อมเข้าไปอีกก็ยิ่งแก่ยากเข้าไปอีกนะเพราะฉะนั้น เราจะต้องศึกษาใ น, ในรูปแบบต่างๆของ l, นิวรน์เพราะฉะนั้นการเก็บอารมณ์และก็นิวรณ์จะมาอันดับแรกนะสองตัวเนี่ยหรือบางทีตัวที่สามคือโมหะโมหะจะเม็นลูปของความาง่วงความเหงาวความฉลุมะลือความเปื่อความเบลอความไม่ปลอดโปร่งไม่โล่งทึมทื่อพวกนี้เป็นตระกูลของ โมหะในรูปของโมหะที่มาในรูปของความง่วงเหงาหอนนอนความไม่กระปรี้กระเปล่าความเฉลิมเฉลอพวกนี้โมหะในในรูปในแบบของอคิดฝันกลางวันความปรุงแต่งการเข้าไปในความคิดการหลงเข้าไปในความคิดทุกครั้งนะั้นเป็นโมหะเนี่ยเผลอเข้าไปในความคิดโมหะเกิดขึ้นเราจะเห็นว่าโมหะนี้กว้างขวาง แล้วก็รู้ได้ยากเพราะมันละเอียดอ่อนนะในส่วนที่เป็นนะรูปของอนะความคิดความปรุงแต่งแวบบเข้าไปแล้วก็จะลืมถ้าเข้าไปลึกแล้วก็จะลืมทุกสิ่งทุกอย่างรอบข้างตัวเอาถ้าเข้าไปไม่ลึกแล้วก็รู้ข้างนอกบ้างรู้ในความคิดบ้างถ้ารู้เข้าไปตื้นๆพอรู้เข้าไปปับ๊บแล้วก็ออกมาไวนะี่ย เข้าไปในความคิดยมก็มีเข้าไปลึกเข้าไปตื้นเข้าไปปั่นกลางเหมือนกันนะเนี่ยในรูปของโมหะที่มาในรูปของอุทัจจะคือความเข้าไปในความคิดแล้วโมหะในรูปของวิชิกิฉาปฏิบัติไปแล้วมันเกิดลังเลเกิดสงสัยในในวิธีการปฏิบัติเกิดสงสัยในผลของการปฏิบัติ สงสัยในความสามารถของตัวเองสงสัยในครูบาอาจารย์สงสัยในคำสอนสงสัยในวิธีการสงสัยในผลลัพธ์เนี่ยมันลังเลเกิด ค, ความสงสัยในสิ่งเหล่านี้ก็เป็นโมหะอีกรูปแบบหนึง่งก็คือการเข้าไปในความคิดดังนั้นโมหะตัวนเนี้การห ล, ลงเข้าไปในความคิดมีถึงสามระดับหลงเข้าไปในความคิดอารมณ์แล้วเกิดความ ไม่ไม่รู้ไม่ตื่นไม่เบิกบานทําให้ง่วงเหงาห่อนอนการเข้าไปลุการเข้าไปในโมหะแบบอ่าง่วงเหงาห่อนอนการเข้าไปในโมหะแบบเ ข, แบบข้าไปในความคิดทําให้ลืมตัวการเข้าไปในโมหะแบบเข้าไปในความสงสัยก็ทําให้ลืมตัวทําให้เพลินหลงไปกับความคิดแล้วจะเห็นว่าในการเฝ้าดูตัวเองอุปสัร ปัญหาและอุปสรรคที่สำคัญนั้นก็คือตัวโมหะตัวลืมหลงนั่นเองราคะโทสะนั่นก็ไม่บ่อยเพราะมันชัดมันมาทีมันก็ชัดแต่ในฝายละเอียดของมันนั้นมันก็ไม่ชัดนะเช่นความ อ, าอยากน่นอยากนี่ความอยากาความขี้เกียจความหมุนหงิลรำคาญความไม่พอใจอความไม่ได้อย่างใจ อย่างนี้เป็นต้นมันก็จะเห็นได้ง่ายกว่าโมหะนั้นเองตระกูลของมันทั้งหมดก็มาจากสามรากนี่นแหละเรียกว่าวโลภมูลโทสะมูลโมหมูลรากเงา่าคือราคาโทสะโมหะมีสามรากและรากนี้นก็ไปแตกรากย่อยอก็เป็นห้ารากก็คือเรียกว่านิวรณ์ห้าไปแตกเป็นสิบรากอีกก็เรียกว่าสัญญษษษุสิบ แตกลกักเล็กๆน้อยลกักฝอยลกักละเอียดลงไปเรื่อยแต่ลกัลกลกัลกหลักๆแก้วมันก็มีแค่สามักนี่ใช่นะคือโลหะโทสาโมหะเพราะฉะนั้นในการปฏิบัติเนี่ยเราต้องฝึกเฝ้าสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นเสมอๆแล้วก็บางครั้งบางคนนะที่การสังเกตยังไม่เก่งก็ใช้วิธีการกด บ, บังคับ อะไรเกิดขึ้นฉันเดินใส่ลูกเดียวสร้างจังหวะข้ามลูกเดียวอันนี้มันก็ไม่ไม่ได้ผล100เปอร์เซ็นตะเพราะนี้เรากดตรงนี้มันไปออกอันนั้นไปออดเพราะนั้นเรากดตัวนั้นมันไปออกเป็นรูปแบบนี้มันทำให้แปลกดกดมันไม่ทัน่ะมันมันมันแปลไปเรื่อยๆแปลรูปแปลหน้าแปลตาไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นทุกที่เกิดจากราคาโทรสามูหาเนี่ยต้องกำหนดรู้ต้องเข้าใจต้องศึกษา ไม่ใช่ไปกดไปดันไปขม่มไปบีบไปกดไปเกือนมันต้องกำหนดรู้ต้องเข้าใจต้องศึกษามันน่ะมันมาหน้าไหนก็ให้ให้ศึกษาให้เฝ้าดูมันถ้าอย่างนี้แล้วเนี่ยเราจะถอนตัวรากของราคาโทสะโมหะได้ง่ายแต่ถ้าาใช้หลักของเรใช้หลักของสมถะเก็บไว้ก่อนกดไว้ก่อนฆ่าไว้ก่อน มันจะอาจจะปลอดภัยในเบื้องต้นแต่ต่อไปมันมันก็แปลรูปละเอียดยิ่งขึ้นมันก็จะยากกนการแก้ไขนะเหมือนกับต้นไม้เนี่ยมันเกิดขึ้นมาแล้วก็ตัดเกิดขึ้นมาแล้วก็ตัดมันก็เกิดอยู่อย่างนั้นแหละเบื้องต้นก็ดูมันเกรื่องเก่าดีเอาสักพักมันงอกขึ้นมาอีกแล้วนี่เราเรียกว่าเราใช้ตัว สมรถะเข้าไปตัดเอาคือตัดในส่วนที่เห็นเห็นไม่ได้ตัดเดี๋ยวก็โปร่อีกมันงีงามกว่าเก่าอีกแต่ถ้าเราใช้ปัญญาไม่ใช้ปัญญาวิมุตตก็คือคอยขุดขุดขุดขุ ด, ข ด, ขดถึงรากถึงโคนหมดเลยทีเดียวไม่ต้องตัดเกิดขึ้นมาให้มันเกิดแต่เราขุดอะขุดลงไปดูรากมันตัดรากเล็กรากน้อยรากฝอยราก อ่านี่มันไปเรื่อยๆในที่สุดมันไปถึงเง่าเข้ามันก็อถอนได้โดยง่ายเพราะฉะนั้นทุกสิ่งที่เกิดขึ้นมาโดยการทําความเข้าใจเห็นแจ้งในสิ่งที่มันเกิดโดยที่ไม่ต้องตัดมันทันทีที่เราจะใช้ปัญญาในการถอนรากของนิวรณ์มันจะมีผลดีในระยะยาวเบื้องต้นเราอาจจะจัด ก, การมันไหมโดยเด็ดขาดเราอาจจะรู้สึก กลัวหูดหงิดรำคาญกลัวลูกลามไปไกลแล้วรีบตัดใช่ก่อนแต่อีกวิธีหนึ่งก็คือใช้ทั้งตัดไปใช้ทั้งขุดตัดแล้วไม่พอขุดด้วยอันนี้ใช้เรียกว่าใช้ทั้งสมถะใช้ทั้งวิปัสสนาใช้ทั้งเจตูและใช้ทั้งปัญญานะซึ่งก็น้อยคนที่จะทําได้อืแต่ส่วนใหญ่ก็เลยใช้สมถะนี่แหละใช้เจตูเข้าไปตัดไปกดไปค่มไปบีบบังคับให้มันหยุดคิดใช่ก่อน หยุดแสดงอาการซะก่อนเดี๋ยวมันมาใหม่ก็สู้กันใหม่อยู่งั้นนะยืดเยื้อเลือหลังไม่จบไม่ชิน้นนะและกิเลสมันก็ฉลาดมันมาในรูปนี้มันถูกตัดมารูปนี้ในถูกตีมันก็มาในรูปใหม่พอมาในรูปใหม่เราไม่เกิดปัญญาก็รู้ไม่รู้เท่าทันเราก็ลืมตัดแล้วทีนี้มันงอกงามกเก่าอีกนะ ทุนนี้ยถึงบอกว่าในการปฏิบัตินั้นพยายามใช้ในส่วนทําความเข้าใจใช้ปัญญาคือทําความเข้าใจในจุดนั้นราคามันเกิดก็ก็ดูมันเกิดทางกายก็ดูกายไปเรื่อยๆ อ, อาการไปยังไงใจมันทําท่าจะเข้าไปร่วงใจมันเป็นอย่างไรเห็นชัดๆดูชัดๆโทสะมันเกิดอาการกายไปยังไงอาการใจไปยังไงมองดูให้ชัดไม่ต้องรีบไปไ ป, ไปตัดมัน แต่สําหรับคนบางคนยังไม่เกิดทักษะไม่เกิดปัญญาตรงนี้ก็ตัดไปก่อนก็ได้เพื่อความปลอดภัยอืมเรามีแต่มีด แ, แต่ไม่มีเสียมเลยนะ <c oughs> ก็ตัดไปก่อนตัดแต่ถ้ามีทั้งมีทั้งเสียมเราทั้งตัดด้วยทั้งขุดด้วยหรือไม่มีมีมแต่เสียมก็ขุดไม่ต้องตัดอย่างนี้เป็นต้นอนนั้นการอยู่คนเดียวเนี่ยมันเสี่ยงอันตรายหลายอย่างในการแก้อารมณ์สาหรับผู้ใหม่เนี่ย หมายถึงว่าอารมณ์บางสิ่งบางอย่างพอมันเข้ามาแล้วนี่ทําให้เราอ่อนเพี้ยเพียแรงกระปกุกกระเปียไปเลยเพราะว่ามันรู้ไม่เท่าเอาไม่ทันมันรัดเราอยู่เลยวันนั้นทั้งวันก็เสียเวลาไปวันนั้นเขจึงไม่แปลกใจว่าเอ๊ะทาไมพระเก็บอารมณ์ทีละเดือนสองเดือนสิบห้าวันไม่เห็นไปไหนสักทีหนึ่งก็เพราะว่าบางทีถูกกิเลสมันกอดคอเอาไว้ไปไหนไม่ได้อืมกอดเอาไว้ มันมดินไม่หลุดอะ่ะพอมันมาในรูปรูปแบบต่างๆมารูปแบบของความอยากความใคร่มารูปแบบของความหงุดหงิดลำคาญมารูปแบบของความเหงาความง่วงนะมาในรูปแบบของความคิดปรุงแต่งสร้างวิมานในอากาศวาดแผลการมาในรูปแบบของความลังเลสงสัยไม่แน่ใจมาในหลายรูปแบบมันเปลี่ยนหน้ามาเรื่อยๆนะ เพราะฉะนั้นเวลาเราปฏิบัติเนี่ยเราเราเห็นสภาวธรรมเกิดขึ้นมากมายแต่เราจะตามมันทันไหมนะบางอย่างเราก็ไม่ไปสนใจรู้เท่าทันเราก็ทิ้งไปนี่เราว่าใช้ปัญญารู้เท่าทันเราก็ทิ้งไปรู้เท่าทันก็ทิ้งไปแต่ว่ากิเลสเนี่ยมันไม่ตอนที่เรารู้เท่าทันมันไม่ไม่มันก็ยอมเราละมันก็ยอมไปแต่มันเล่นที่เผลอ ถ้าหากว่าความเพียรของเรามันยังไม่เป็นอัตฉนิมัติยังไม่ต่อเ น, นื่องยังไม่เป็นปรามัิเนี่ยมันเราก็เผลอในช่วงแรกเราก็ขยันตัดขยันกดขยันขุดแต่ช่วงต่อไปมันชักลาแล้วทีนี้อะไรมันเกิดมันก็เกิดทีนี้ก็ปล่อยพอปล่อยมันก็ลัดเราตัวนั้นแหละนักมวยเหมือนนักมวยนักมวยที่ มีกำลังดีแต่ไม่ฉลาดเนี่ยมันจะบุกทำเต็มที่เลยถ้าไปเจอมวยที่กที่ฉลาดถึงแม้กำลังไม่ดีนะมันก็จะหลอกล่อไปเรื่อยๆจนกระทั่อ ง, ทงอีฝ่ายหมดกาลังพอหมดกาลังเนี่ยทีนี้มันก็เข้าทำได้โดยง่ายแหล ะ, ะเพราะนั้นตอนแรกในความตั้งใจเราดีมีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็เดินใส่สร้างจังหวะใส่ดับไปหายไป พอโดนานเข้าหลายวันเข้าชักเบื่อชักเบื่อตรงนี้แหละไอ้ตัวกิเลสมันฉลาดมันก็เข้าเลยแหล ะ, ะมันเข้านัวเนียนัวเนียในที่สุดแล้วก็ยอมมันไม่ได้อะไรเพราะฉะนั้นในการต่อสู้กับความคิดเกกับกิเลสเนี่ยเราต้องอต้องอย่าผีผลาวงั้นเถอะต้องค่อยทำค่อยไปค่อยศึกษาไปเช่นบางคนเดินเนี่ยเดินได้อารมณ์ เดินปวดแ h e ง k ปวด ข, า, วดขาก็ไม่ยอมหยุดมันตกในอำนาจของกิเลสแล้วมันแต่ถ้าเรารู้เท่าทันเอามันเล่นขาเราแล้วนี่ตัดข า, าแล้วแล้วรู้เท่าทันหยุดเราอยู่ในความเพลินใช่แล้วนะเข้าไปในความเพลินแล้วโมหะอีกตัวหนึ่งพอใจในความเพลิดเพลินนี่ก็เป็นราคะอีกแบบหนึ่งแล้วเห็นไหมทีนี้จะทําไงก็ผ่อนให้รู้สึกตัวแล้วก็ให้คอน พอให้มันสบายถ้าสิ่งไหนมันหยากก็สู้แบบยาบยาบสิ่งไหนมันมาละเอียดก็สู้มนแบบละเอียดสิ่งไหนมันมาปานกลางก็สู้มันปานกลางไม่ใช่ว่าใช้เครื่องมือชิ้นเดียวเนี่ยทำได้ทุกอย่างไม่ใช่นะเช่นเราจะทำบ้านเนี่ยช่วงแรกเนี่ยมันหยากมีทั้งกิ่งทั้งการทั้งเปลือกทั้งกระพีเราก็ใช้เลื่อยใช้ขวานถาด แต่พอเอาส่วนหยาบแล้วต่อไปมันละเอียดขึ้นมาห น, น่อยอาจจะใช้กบอาถาดต่อไปละเอียดขึ้นมาอีกอใช้กระดาษทรายอืต่อไปละเอียดขึ้นมาอีกอจจใช้น้ํามันเห็นไหมแต่ละอย่างละอย่างมันก็จะดูอารมณ์ตอนแรกๆมันอาจจะหยาบเดี๋ยวราคามาเดี๋ยวโทรศัพท์มาเดี๋ยวความง่วงม า, ดวว า, มง า, มาเดี๋ยวความฟุ้งซ่านมาเดี๋ยวความรังเลมาเนี่ยมันหยาบหยาบแล้ก็ซูนแบบหยาบหยา ใช้มันแรงๆพอไปสักวันสองวันมันชักเริ่มละเอียดขึ้นมันไม่มาโดยตรงแล้วทีนี้มาโดยอ้อมตัวปันกลางเข้ามาเออืเอยๆเรื่อยๆแต่เผลอไม่ได้เผลอแล้วเป็นซั์เราทันทีอันนี้เราก็ต้องสังเกตสังการแะแวดระวังมากขึ้นพอไปสีห้าวันกิเลสก็ยิ่งทำตัวให้ละเอียดขึ้นอีกมันคิดแต่สิ่งที่ดีดปรุงแต่สิ่งที่ดีด ออกมาในรูปของความสุขความปิติอิ่มเอมเอม เ, เปลี่ยนใจไม่อยากจะทำอะไรมากๆากละหลงอยู่ในความคิดอยู่หลงอยู่ในอารมณ์สุขอันนั้นนี่ออกมาอีกหน้าหนึ่งละเอียดเข้าไนอีกเราจะเห็นว่าตัวกิเลสมั น, ม, นมันฉลาดมันถึงอยู่ได้ตลอดกับตลอดกันอย่างนี้พระพุทธเจ้ามาตรัสรู้กี่พระองค์ก็ อ, องค์ก็ฆ่าไม่หมด มันก็ยังอยู่มันก็สามารถทจะเอาคนตกเป็นทาตุกิเลสได้ตลอดกับตลอดกันเหมือนกันสามารถเอาคนไปอบายได้สามารถเอาคนไปเป็นสัตว์ได้สามารถเอาคนไปเป็นนรกได้สามารถเอาคนไปเป็นอสุรกายได้สามารถเอาคนไปเกิดเป็นเนริชานได้นะในห ย, ยาบๆในส่วนละเอียดก็สามารถจะเอาคนไปเกิดเป็นเทวดาเป็นอินทรพรมได้ จนกระทั่งพระพุทธเจ้าเมื่อเกิดท่านบอกว่ามนั้นก็ไม่ใช่ท่านบอกให้สู้แบบนี้ในที่สุดเราก็ได้อุบายจากพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ที่พุทธเจ้าแต่ละพระองค์ที่มาแต่สรู้นั่นก็ใช้อุบายทำเดียวกันนะทำไม่มีัยก็เป็นแบบเดียวกันอในที่สุดก็ไม่ต้องเกิดอาบายก็ไม่ต้องเกิดสุคติก็ไม่ต้องเกิดละไปเกิดในภูมิใหม่ภูมิที่ไม่ต้องเกิดแก่เจ็บตายเขาเรียกว่าอาริยภูมิ ตรงนั้นแหละเราถึงจะเอาชนะกิเลสได้เมื่อใดเรารู้เท่าทันเน่ะเพราะกิเลสมันไม่ชอบคนรู้เท่าทันมันถ้ารู้เท่าทันมันปั๊บในมันเรียกว่าในสมัยครั้งพุทธการพุทธเจ้าท่านใช้สมุดมาร้องไห้และเสียใจหลีกไปมาร้องไห้เสียใจเพราะเมื่อใดม่ได้เรารู้เท่าทั น, นะนความคิดรู้เท่าทันอารา ม, ร ม, ามารณ์แล้วเราแก้ไขทันที มานที่มันมาสิงมาหาเรามันก็จะร้องไห้เสียใจไปเดี๋ยวเพ้อใหม่มันมาใหม่อีกมานตัวใหม่มาอีกเราก็ขยันรู้รู้เท่ารู้ทันนะไม่ว่าราคาโทสะโมหะตัวไหนไม่ว่านิวรณตัวไหนก็ตามให้รู้เท่าทันมันก็จะหยุดดูหยุดรู้หยุ ด, หยดเห็นหยุดแก้ไขจนกระทั่งมัน เข้าใจอ่ะเมื่อเข้าใจแล้วมันจะเกิดความปลอดโปร่งความเบาความสบายความชื่ำชื่นมีปิติประโมทขึ้นมาทันทีเลยแล้วก็ตัวช่ำชื่นปิติประโมทมันไม่ใช่เกิดขึ้นชั่วครู่ชั่วยามเหมือนอารมณ์สมถะมันจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเพราะฉันใช้คําว่าธรรมปิตินะธรรมปิติสุขังปิเสติธรรมะปะหังสนาการ ธ ร, รมะประโมดชั่งรรมาปรโมดดังนั้นเองเราจำเป็นจะต้องศึกษาและเรียนรู้จากการปฏิบัติของเราเราจะใช้เครื่องมืออยู่สองชิ้นให ญ, ใหญ่ใช้เครื่องมือของสมถะก็จัดการด้วยการตัดด้วยการบังคับให้ออกไปให้ได้บังคับในชนหยับยาบในชนหยับหยาบเนี่ยอาจจะใช้สมถะได้ผลนะ แต่ในส่วนละเอียดเนี่ยต้องใช้วิปัสนาละใช้ความเข้าใจรู้แจง้งเข้าใจชัดเจนในสิ่งที่เกิดรู้เท่าทันในสิ่งที่เกิดไม่ว่าระดับกลางระดับละเอียดเนี่ยรู้เท่าทันเพราะฉะนั้นกิจกรรมในการปฏิบัติธรรมมันก็จะเกิดความสนุกสนานเบิกบานถ้ารู้เท่าทันเข้าใจนะมันจะไม่ท้อมันจะไม่เบือ่อแต่ปฏิบัติไปแล้วรู้สึกมันท้อมันเบือ่อให้เข้าใจว่าเรายัง เรายัางไม่ได้ใช้วิปัสสนาเข้าไปช่วยเหมือนกับคนถางป่าเนี่ยถางแล้วถางอีกถ้าเกิดที่มันกว้างเอาถางตัวนี้เอาทาั้นทงนู้นขึ้นอีกแล้วถางไปถึงโน้นเอาเหลวไปทางนั้นมันขึ้นอีกแล้วถางเมื่อไรไม่จบไม่สิ้นทีดีในที่สุดมันก็เบื่อการปฏิบัติเหมือนกันเอาปฏิบัติบังคับไอ้ตัวนั้นอยู่แล้วไอ้ความคิดแบบนั้นขึ้นมาอีกแล้วจัดการไอ้ความคิดนั้นเอาความคิดไอ้ตัวนั้นขึ้นมาแล้ว มันเซง็งมันเบื่อแล้วไม่รู้ว่าจะไปชนะกันเมื่อไหร่ตรงนี้แหละจะทําให้เราไม่สนุกในการปฏิบัติปฏิบัติเท่าไหร่เท่าไหร่มันก็ความคิดก็ยังมาเหมือนเดิมไม่เห็นท่าทีว่ามันจะหมดไปเมื่อไหร่นะ่ตรงนี้แหละความทอ้อความเบื่อก็จะเกิดแต่ถ้าเราใช้ตัวปัญญาหรือตัววิปัสสนาปัญญาเนี่ยเราไม่ถากไม่ถางละเราลงมือขุดเลย ขุดเราก็จับเอาต้นไม้ต้นหญ้านั้นฉลัดไม่ให้มันอยู่ในดินฉลัดเป็นกองเป็นกองเป็นกองมันอาจจะช้ากว่าถากว่าถางนะมันอาจจะช้ากว่าถางถางมันอาจจะไวแต่ว่าไม่นานมันขึ้นอีกแล้วขุดมันอาจจะช้าแต่ว่ามันได้ผลแน่นอนมันไม่ขึ้นหรือจะมีก็ขึ้นช้ามากเนี่ยเพราะฉะนั้น แต่บางคนก็ถางไปก่อนแล้วขุดตามที่หลังอย่างงี้ก็ได้บางคนไม่ต้องถางเลยขุดลูกเดียวเรียบร้อยไปเลยไม่ต้องอเสียกำลังหลายครั้งเหมือนกับการจัดการกับวัชพืชคือความคิดปรุงแต่งและอาการของนิวรณต่างๆก็เหมือนกันเนี่ยไอ้วัชพืชที่มันเกิดเนี่ยก็มีทั้งต้นใหญ่ต้นเล็กแหละนะคือหมายความว่าไอ้ส่นหยาบเนี่ยมันอาจจะเป็นต้นใหญ่ ส่วนกลางมนะันอาจจะเป็นต้นเล็กส่วนละเอียดมันก็จะต้นเล็กลงไปอีกเราจะเห็นว่าต้นใหญ่ต้นกลางเลียวเราขุดทีเดียวออกแล้วมันก็ไม่ค่อยงอกขึ้นอะ่ะแต่ต้นละเอียดเนี่ยมันมันขุดแล้วมันก็งอกขึ้นช้าๆนะก็มีเพราะฉะนั้นความคิดปรุงแต่งเล็กๆ น, น้อยๆเนี่ยมันก็ยังกลับมาก็มี แต่ความคิดที่มันหนักหนาหยาบๆยาบเนี่ยมันก็ไม่ค่อยกลับมาถ้าเราใช้วิธีทำความเข้าใจกำหนดรู้นั้นในการปฏิบัติในการเก็บอารมณ์เราจะต้องมีศิละปะมีเทคนิคในการแก้ไขปัญหาเราอย่าไปชุดตรงชุดตรงฉันจะนั่งอย่งนี้ตลอดฉันจะยืนอย่างนี้ตลอดฉันจะต้องทำอย่างนี้ตลอดไม่ได้อย่างเงี้ยมันเข้าทางมารพอดีแล้วเข้าทางมันพอดีแล้วทางชุดตรง เข้าทางมันชอบแหละคนที่ทําอะไรที่แบบว่าอืมสุดโตง่ง น, นะนะใครขอไม่ยอมยืดหยุ่นจะเอามันอย่างนี้แหละอะไรจะขึ้นงันฉันจะทำอย่างนี้แหละสุดโต่งแบบนั้นน่นมาเข้าทางเข้าทางมารเพราะงั้นเถอะการปฏิบัติก็จะเกิดความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าแต่ว่าไม่สามารถจะจัดการกับความคิดอะไรได้เพราะเราสู้แบบไม่มีวี การยึดอยู่นหรือไม่ใช้ปัญญาวมื่างันเถอะถ้าการปฏิบัติเราถ้าใช้ปัญญาใช้ความเข้าใจเนี่ยมันมันเห็นชัดมาเห็นชัดแล้วมันก็รู้เท่าทันผลของมันนะรู้เท่าเอาไว้กันรู้ทันเอาไว้แก้ที่แน่ๆก็คือว่ารู้ทั้งแก้ทั้งกันท่านว่านะเพราะฉะนั้นเองจะทำไงให้การปฏิบัติของเราเนี่ยเกิดความสนุกสนานเกิดความร่าเริงเกิดความ มีความสุขในการปฏิบัติก็ต้องใช่หลักตัวนีนะ้ใช่หลักตัวความเข้าใจเข้าใจทำความเข้าใจกับสิ่งที่มันเกิดนะทีนี้เมื่อเข้าใจนี่เราไม่ได้มุ่งเพื่อการฆ่าหรือการกาจัดนะแต่เรามุ่งในการแปลสภาพเรามุ่งในการที่จะอมชอมมุ่งในการเจราจาเช่นตัวง่วงมันเกิด ตัวง่วงมันเกิดแล้วก็ทักทายมันเออมาอีกแล้วหรือตัวง่วงอืก็เจรจากันไปทําความเข้าใจมันไปเรื่อยๆตัวราคามันเกิดแล้วก็เออมาอีกแล้วหรือราคาเจ้าช่างขยันมาเลื่เกินนะอืเจ้าช่างก็เจรจาคุยกันไปเจรจากันไปต่อรองกันไปนี่เรารู้เท่าทันแล้วแต่ถ้าเราไม่รู้เท่าทันเราก็ทักมันไม่ถูกมันก็เล่นงานแล้วก็ครอบงําเข้าชิงเราเลย หรืเจ้าโทษสามาแล้วก็ทักมันเอาเจ้าโทรสามมาอีกแล้วหรือคือเจ้าไม่พอใจเจ้าหงุดหงิด ต, ติดอารมณนะ์มาอีกแล้วหรือถามอืมดูมัน่ะพิจารณามันทําความเข้าใจมันพอเรารู้จักมันนะมันก็สลายตัวนะมันก็สลายตัวถ้าเราไม่รู้จักมันมันจะโตยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นเรื่อยๆในที่สุดครอบเราถ้าเรารู้จักมันปั๊บมันหลบะ เหมือนก็ขโมยเข้าบ้านเราเรารู้อย่างมันขโมยเนี่ยมันไม่กล้าชู้หน้าเราแต่เมื่อไรเราไม่เหอมันเข้านะเพราะฉะนั้นในการปฏิบัติในการเจริญสติเนี่ยต้องใช้ปัญญานะต้องใช้ปัญญาในการแก้ไขปัญหาแล้วบางครั้งมันมีกิเลสหยาบหยาบกิเลสที่มันมาแบบไม่ไม่กลัวอะไรเลยเนี่ยจู่ๆมันก็เกิดขึ้นเฉยๆอย่างนี้แหะ เนี่ยต้องต้องใช้ตัวสมร t h เข้าไปช่วยต้องตัดต้องข่มต้องขุดไปในตัวเสร็จนะนั้นการเก็บอารมณ์ของเราก็ไม่กี่ครั้งเราก็จะแจ่มแจ้งแล้วแต่ไงก็ตามในเะมื่อฟูมิปัญญาของเรายังไม่เข้มแข็งยังไม่แกล่งกล้าเพียงพอแล้วก็ก็ทําไปเรื่อยๆแต่ต้องใช้ความอดทนเอาใช้ความอดทนเพราะว่าใน เรื่องของภูมิปรรัญญาหรือเรื่องของปัญญาในการปฏิบัติบาทีมมันก็สอนกันไม่ได้<ม>เราก็ต้องเรียนรู้จากประสบการณ์ประสบการณ์แต่และอย่างเราก็ต้องเรียนรู้คําว่าเรียนรู้หมายความว่าแต่ละครั้งที่มันเกิดแล้วถ้าตามมันไปเนี่ยผลมันเป็นยังไงตรงเนี้ยเรียนรู้อาจจะไม่ใช้ปัญญาอะไรมากแต่ให้ศึกษาผลลัพธ์ของมันว่าทุกครั้งที่กิเลสหรือ นิวรมันเกิดแต่ละตัวเนี่ยเกิดขึ้นแล้วเราสนองมันเนี่ยผลตามมาเป็นอย่างไรเราเศ้าหมองไปหรือเปล่าเราท้อแท้เราหงุดหงิดเราเบื่อหน่ายเนี่ยผลของมันเราก็องรู้ว่าอ๋ออันนี้เป็นผลเป็นโทษนี่เป็นโทษตั้งทารู้ตไปใหม่นะไม่ตามทีนี้ถ้ามันมาร้อยครั้งเราตามร้อยครั้งเราก็ได้เห็น ผลลัพธ์มันตั้งร้อยครั้งถ้าเห็นผลลัพธ์ที่มันเป็นทุกข์ร้อยร้ยครั้งเราไม่ตระหนักเราไม่เฉลียวใจเฉลหรือว่าอันนี้คือผลของการที่เราตามเข้าไปในความคิดนะถ้ามันเกิดขึ้นเป็นร้อยครั้งพันครั้งเราก็ยังมองไม่เห็นเนี่ยมันจะแย่แล้วน่ะเราปฏิบัติชแย่แล้วเราไม่เข้าใจอะไรเลยถ้ามันเกิดสักร้อยครั้งเราเห็นมาสักสิบครั้งยี่สิบครั้งก็ยังดี แล้วก็เพิ่มการเห็นเพิ่มการรู้เท่าทันขึ้นเรื่อยๆที่หลวงพ่อเทียนท่านว่าคิดร้อยครั้งก็เห็นมันร้อยครั้งคาว่าเห็นไม่ใช่เห็นในเท่าทันมันด้วยนะตอนแรกยังไม่สามารถจะรู้ได้ทุกครั้งก็รู้มากขึ้นเรื่อยๆรู้มากขึ้นเรื่อยๆในสิ่งที่มันกำลังเกิดเนี่ยเราจะเห็นว่าการปฏิบัติแบบนี้ไม่ยากหรอกแต่เพียงแต่ว่าเราจะต้องทาเป็น นั้นการได้ยินได้ฟังก็ส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้เราเข้าใจให้ทําเป็นการได้พูดคุยถามปัญหากับครูบาอาจารย์ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะทําให้เราทําเป็นนะแต่บางคนที่มีความเฉลียวใจมีปฏิพัณธ์ดีก็อาจจะฟังเม่กี่ครั้งก็ทําเป็นล ะ, ะทาเป็นในหมายความว่าคนที่ยินยอมพร้อมรับนะ แต่คนที่ไม่ยินยอมพร้อมรับรอยฟังร้อยเป็นร้อยครั้งพันครั้งก็ยังทำไม่เป็นอยู่ดีที่ได้กล่าวไปเมื่อวานนะมันขึ้นอยู่กับฌานและปัญญาแต่ละคนอีกทีหนึ่งดังนะนั้นในจุดนี้จึงอยากจะให้เอาไปพิจนารณาแล้วก็นึกอยู่เสมอว่าเราจะมีความสนุกสนานในการปฏิบัติอย่า ง, างไรเราจะมีความสงบลงับในทุกย่างก้าได้อย่างไร แล้วจะมีความสุขในทุกย่างก้าวในทุกลมหายใจได้อย่างไรแล้วก็พยายามฝึกฝนตัวเองให้มีถ้ามันยังสุขไม่ได้มันยังสงบระ ง, งับไม่ได้มันขัดข้องอะไรถามตัวเองขัดข้องอะไรจิตยังเศร้าหมองด้วยเรื่องอะไรจิตยังขุ่นมัวด้วยเรื่องอะไรจิตยังขัดข้องในเรื่องอะไรสังรวตลงไปชัดๆ จนกระทั่งบอกตัวเองได้ว่าสุขจริงๆเออสงบจริงๆเออรังงับจริงๆเออปลอดโปร่งจริงๆไม่มีอะไรเข้ามาแพร่ผ่านเลยแล้วดูอาการอันนั้นไว้ชัดๆชีวิตไม่ต้องการอะไรอีกถ้าเราสามารถพิสูจน์ตัวเองได้ขนาดนั้นนะชีวิตไม่ต้องการอะไรอีกแต่เมื่อมีความจําเป็นจะต้องทํางานบริการตอบสนองแบ่งปัน ในสิ่งที่เรามีนี่แก่เพื่อนฝูงได้สังคมเราก็เอาสิ่งที่เรามีนี่แหละไปทำซึ่งมันก็ไม่ยากไม่ไม่ได้เกิดความยุ่งยากลาบากอะไรเพราะเรามีอยู่แล้วเหมือนเรามีเงินเนี่ยถ้าใครต้องการเงินเนี่ยเราก็เอาเงินให้ก็ไม่ยากเลยเมื่อเรามีความสุขความเข้าใจความเห็นแจ้งอยู่ใครต้องการเราก็ให้ได้ทันทีให้คําชี้นาได้ทันที เพื่อการทํางานของเราในเมื่อเราเข้าใจแล้วก็ให้สิ่งที่เรามีเนี่ยมันไม่ลําบากเลยแต่บางครั้งเราบอกโอ้ฉันทําแต่งานฉัน ไ, ไม่ได้ปฏิบัติเลยเนี่ยก็แสดงว่าเรายังสัมผัสความสุขความสงบที่แท้จริงยังไม่ได้ยังไม่มีส่วนนั้นที่จะแบ่งปันก็ทําทให้งานเป็นเรื่องยุ่งยากลําบากงานเป็นเรื่องรบ ก, กวนงานเป็นเรื่องเป็นภาระเพราะเรายังไม่มีสิ่งที่เราจะแบ่งปันหรือเราแบ่งปันในสิ่งที่เราอ่า ไม่มีหรือมีแต่เราไม่แบ่งปันในสิ่งที่เรามีไปแบ่งปันในสิ่งอื่นที่เราไม่มีมันก็จะเกิดเป็นภาระยุ่งยากขึ้นมาทันทีนะเพราะฉะนั้นการเผยแพร่ธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่ได้เอาความรู้พิเศษอะไรไปเผยพแพร่หรอกเอาประสบการณ์และสิ่งที่เราได้รับผลนี่แหละไปบอกไปให้ไปแบ่งไปปันทีนในช่วงของการใช้ชีวิตอยู่ ในสำนักปฏิบัติเนี่ยให้เราใช้เวลาจริงๆในการที่จะสำรวจตรวจสอบตัวเองว่าครันนี้เรามีความสุขหรือเปล่าครันนี้เรามีความสงบที่แท้จริงหรือเปล่าครันนี้เรามีความผ <c oughs> ่องแผ่และจำกใสแช่จริงหรือเปล่าขณะ น, นี้เรามีความปลอดโปร่งโล่งใจอยู่หรือเปล่าถ้ามันมีล่ะจะดำรงรักษาไว้นานแค่ไหนถ้ามันไม่มีล่ะเราขัดข้องเรื่องอะไร ถามตัวเองอยู่เสมอ ER, ตรวจสอบตัวเองอยู่เสมอ ER. ทุกวันทุกวันทุกวันแล้วสิ่งที่เราปรารถนาสิ่งที่เราต้องการมันก็จะปรากฏขึ้นเรื่อยๆแล้วชาระไปเรื่อยๆนะเนี่ยเราจะเห็นว่ามันก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ลึกลรรับซับซ้อนอะไรนะไม่ใช่สิ่งที่เห็นได้ยากหรือรู้ได้ยากเป็นสิ่งที่เห็นได้ง่ายๆรู้ได้ง่ายๆแต่ว่าเมื่อมันยังไม่เป็นเนี่ยสิ่งง่ายก็เป็นสิ่งยาก เรื่องตื้นจะกลายเป็นเรื่องลึกเรื่องง่ายจะกลายเป็นเรื่องยากถ้าเราไม่เข้าใจนะเพราะฉะนั้นมาถึงกล่าวอยู่เสมอต้องทำความเข้าใจต้องทําความเข้าใจในสิ่งที่เราทำนะเราทำสิ่งใดเข้าใจในสิ่งที่เราทาอย่าไปคิดหาในสิ่งที่ยังไม่ได้ทำแต่ส่วนใหญ่มันเป็นอย่างนั้นไอ้สิ่งที่กาลังทาอยู่นั้ไม่ยอมเข้าใจแต่พยายามคิดหาในสิ่งที่ยังไม่เข้าใจ อย่าสมมติเรายกมือสร้างจาังหวะเดินจัง ก, กมเนี่ยอันไหนเป็นอนิจจังอันไหนเป็นทุกขงังอันไหนเป็นอนัตตาเราไปเอาสิ่งนั้นมาคิดอันไหนเป็นมรอันไหนเป็นผลไเปอเอ า, าสิ่งนั้นมาคิดอันไหนเป็นโพธิชงอันไหนมันเป็นอริยสัจเอาหน้าสิ่งนั้นมาคิดซึ่งเราไม่เข้าใจในสิ่งนั้นน่ะจะเอามาคิดแต่สิ่งที่เราเข้าใจได้ขนาดนี้เดี๋ยวนี้คืออะไรจะยกมือเนี่ยเราเข้าใจอะไรได้บ้างอ เคลื่อนไหวมือเนี่ยอะไรมันเคลื่อนอะไรมันไหวมือไหวหรือใจไหวมือรู้หรือใจรู้พยายามทําความเข้าใจสิ่งที่มันมันมีอยู่เนี่ยให้ชัดๆแล้วใจที่มันคิดอยู่คนนี้เนี่ยใจใจที่มันกาลังคิดเนี่ยมันเศร้าหมองหรือผ่องใสไม่ใช่ความคิดทุกความคิดจะทําให้จิตเศร้าหมองไม่ใช่ความคิดที่ทําให้จิตแจ่มใสก็มี ่ะเหมือนกับกระจกที่มันมัวเนี่ยเราจะเอากระจกไปขัดี่ยมันไม่ได้ก็ต้องเอาผ้าขี้ริ้วเนี่ยไปขัดน่ะเหมือนกันความจิตของเราบางครั้งมันเศร้าหมองด้วยความคิดการปรุงแต่งแล้วก็ใช้ความคิดนั่นแหละเข้าไปเช็ดมันน่ะความคิดอีกอันหนึ่งมันเป็นผ้าขี้ริ้วสติสัมปชัญญะนี่ยก็ออกมาเป็นลูกของความคิดแต่ความคิดแบบรู้ มันก็เป็นผ้าคีริวเช็ดให้ได้ความคิดปรุงแต่งมันจะเป็นผลฝุ่นทุลีทุลีเข้าไปปกปิดอเป็นคราบเหมือนกับมันฝุ่นผงที่มันติดกระจกความคิดปรุงแต่งที่มันตกค้างระดับต่างๆเยเข้าไปครอบคลุมจิตใจของเราแล้วก็ใช้สติสัชำระเข้าไปเช็ดออกเงี้ยก็จะเป็นความคิดเหมือนกันนะเป็นความคิดที่ออกมาด้วยควา ม, มรู้ นั่นเราเห็นว่าการปฏิบัติจึงเป็นสิ่งที่เรามองเห็นชัดเจนเป็นทุกประธรรมได้ง่ายมากแต่มันยังไม่ปรากฏชัดแก่เราเนี่ยเพราะอะไรนี่แหละที่เราจะต้องไปคานึงคำนวณละคำว่าปรากฏชัดนี่แปลว่าปัญญานะเวลาสวดตอนเช้าเกวราศ า, ศาทุกขรััณฐาปัญญาปัญญาเยธาติ เกวราชาุกขันธ์รัศดาทกิริยาปัญญาเยทาติปัญญาเยทะปัญญาตรงนั้นน่ะปรากฏชัดทำฉไนการทำที่สุดแห่งกองทุกขทั้งสิ้นนี้อย่าพึงปรากฏชัดนั้นปัญญาแปลว่าปรากฏชัดเราดูอะไรเราปฏิบัติอะไรเราเห็นอะไรสิ่งนั้นปรากฏชัดขึ้นมานั้นปัญญามันเกิดแล้วเพราะฉะนั้นปัญญาทางธรรมหรือปัญญาโลกุตตะะแปลว่าปรากฏชัด มันปรากฏชัดแล้วก็เข้าใจแล้วก็ปล่อยวางสิ่งนั้นได้ง่ายถ้าสิ่งนั้นมันไม่พึงปรารถนาสิ่งใดที่มันพึงปรารถนาแล้วก็พอกพูนสิ่งนั้นได้ง่ายแล้วก็สั่งสมสิ่งนั้นได้ง่ายพราะมันเห็นน้ําเป็นน้ําเห็นไฟเป็นไฟเห็นดินเป็นดินเห็นลมเป็นลมเห็นความคิดเป็นความคิดเห็นสติเป็นสติเห็นกิเลสเป็นกิเลสเห็นปัญญาเป็นปัญญาเห็นปรากฏชัดย่างไงมันก็หยิบ เข้าหยิบออกง่ายสิอันไหนไม่ต้องการปรารถนาก็หยิบออกอันไหนต้องการปรารถนาก็หยิบเข้าได้ง่ายเพราะเห็นปรากฏชัดเพราะฉะนั้นสําหรับผู้ใหม่เนี่ยอาจจะเห็นสภาวะจิตที่อารมณ์ที่เกิดขึ้นในสภาวะจิตยังไม่ปรากฏชัดเพราะอะไรเพราะยังไม่มีประสบการณ์ยังไม่เกิดประสบการณ์ทางจิตอืม ดนั้นการเดินจงนคมการสร้างจังหวะการทําความเพียร น, นั้นท่านจึงมุง่งมุ่งให้รู้ที่รูปที่นามเป็นหลักเพื่ออะไรเพื่อให้จิตได้รับประสบการณ์จากความรู้ที่เกิดขึ้นทางกายนิสก่อนเพราะมันเห็นได้ง่ายความรู้เย็นร้อนอ่อนแข็งเข่งตึงไหวทางกายเนี่ยมันเห็นได้ง่ายมันปรากฏชัดได้ง่ายให้จิตเนี่ยได้มีความคุ้นด้สัมผัสกับสิ่งปรากฏชัดได้ง่ายทางกายซะก่อน และจิตข้างเราก็จะเริ่มสั่งสมเริ่มเรียนรู้เริ่มมีประสบการณ์แล้วประสบการณ์ของจิต ท, ที่มันเรียนรู้จะกลายนี่เองนันก็จะกลายเป็นตัวปัญญาเข้าไปสู่ภายในต่อไปมีอะไรต่างๆเกิดขึ้นปรากฏในใจปับ๊บประสบการณ์อันนี้นมันจะเข้าไปใช้กับใจก็เห็นสิ่งที่ปรากฏกับใจปรากฏชัดดังนั้นในอารมณ์วิปัสนาเบื้องต้นท่านยิงอยากจะให้รู้อารมณ์รูปนามก่อนก็เพราะสิ่งนี้แเลย ก็ต้องการรู้ให้รู้กายรู้ใจเนี่ยตามความเป็นจริงให้ชัดซะก่อนดังนั้นรูปนามจึงเป็นเบื้องต้นที่สุดของอารมณ์วิปัสนารู้รูปนามรูปนามรูปเนี่ยไปตามลําดับรูท่ า, 12, 5, 8, าสี่ขันห้าอายจนะสิบสองท่าสิบแปดอริยสัจสี่อริมักมีองแปดพวกเนี่ยรู้ไปตามลําดับดเบื้องต้นตั้งเริ่มที่รูปนามนี่แหละถ้าเราจะเห็นว่าการ เจริญสติแบบนี้มันช่างง่ายและเบาเข้าใจง่ายชัดไม่มีอะไรที่ลึกลับซับซ้อนเลยแต่ทำไมยังไม่ปรากฏชัดกับเราละ่ะอันนี้แหละต้องไปพิจรารณาว่าเราขาดเขาขาดอะไรอยู่เราเราขาดอะไรอยู่เราก็ค่อยไปเพิ่มไปเติมไปเสริมไปแต่งนะเพราะฉะนั้นในเมื่อเราเข้าใจสิ่งนี้ได้เรามีความมั่นคงมีความเบิกบาน <c oughs> มีความสงบระงับ มีความสุขเพะว่าได้นะนั่นแหละความ <c oughs> ที่คลายความผ่อนคลายในชีวิตของเรา <c oughs> ก็จะเกิดขึ้นนะโดยไม่ยากเลยโดยไม่ยากเรามองอะไรมันก็มีความสุขมีความสงบไปหมดถ้ามันคุ้มค่ากับสิ่งที่เราลงทุนนะ่ะเพราะฉะนั้นให้ฝึกง่ายๆจากการสังเกตจากการ เคลื่อนไหวจากการลุกการนั่งการย่างการเดินการก้าวการถอยให้สังเกตให้ศึกษาไปเรื่อยเพื่อสั่งสมประสบการณ์ความรู้ที่เกิดขึ้นจากรูปนามหรือกายกับใจเนี่ยกายกับความรู้สึกนี้ให้ชัดไว้เสมอไม่เสียไม่ไม่มีคำ ว, ว่าเสียเวลาการปฏิบัติไม่มีคำ ว, ว่าเสียเวลาทุกอย่างจะถูกสั่งสมไว้ในความ คิดได้สำนึกของเราแต่ว่าเราพยายามทำความเข้าใจบ่อยๆแล้วเราสามารถที่จะเอาประสบการณ์ที่เราสั่งสมไว้ในความทรงจำออกมาใช้ได้เป็นญาณปัญญาเนาะทานั้นในช่วงเย็นวันนี้เราก็ได้พูดคุยกันเรื่องของอารมณ์กรรมฐานที่จะนำไปทำความเข้าใจกับตัวเอง ในการเก็บอารมณ์ในช่วง7จวันต่อไปสำหรับพระสําหรับโยมก็แล้วแต่จะจัดกันก็สลับกันเขา้าสลับกันออกเพื่อผลประโยชน์ของเราเองเราต้องฝึกอยู่คนเดียวบ้างอยู่กับเพื่อนฝูงบ้างไปเรื่อยๆแต่สาหรับคนใหม่ก็อย่าเพิ่งเข้าไปยาวเพราะว่าเข้าไปยาวแล้วแก้ไขตัวเองไม่เป็นมันจะเสียเวลา แต่ถ้าหากว่าคนไหนที่รู้สึกว่าทำกับเพื่อนกับฝูงแล้วได้อารมณ์ปฏิบัติดีไม่เสียอารมณ์ก็ก็ดีนะโอกาสได้ยินได้ฟังด้วยเพราะฉะนั้นก็สำหรับวันพระวันนี้ก็อนุโมทนาสาธุในการที่จะนำไปศึกษาปฏิบัติทำความเข้าใจให้ถูกต้องชัดเจนด้วยกันทุกคนทุก ท, าท่านเือ